สสชีิตตล้ตจะไดไดปูเรื่องตรงนี้เราจะต้องศึกษากันอีกเยอะทีเดียวในรายการฝันในฝันเนี่ยครับที่เรื่องฝันในฝันนะครับเลาทุกครั้งเคสตอีดด่รเรื่องฝันในฝันครับเล่าให้ฟังก่อนนั่งธรรมะครับแล้เล่าให้ฟังเฉพาะ โลกพระราชครับนั ก, กเรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันครับเท่านั้นค ร, ครอาจารย์ผมขอย ห, หลวงพ่อเรียกผมว่าโยชิอากิครับผมเกิดมาร้อยครอบครัวนับถือนี่อ่านตามที่เขาว่ามานะครับครอบครัวนับถือโซกักไขไม่รู้แปลว่าอะไรหลวงพ่อก็ไม่รู้นะครอบครัวนับถือโซกักไขเป็นลัทธิซึ่งแตกมาจากพุทธนิกายเก่านิกายหนึ่ง ในศาสนาพุทธแบบญี่ปุ่นขณะนี้ลัที่นี่มีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่นแม่ของผมเป็นคนเคร่งศาสนามากและก็พาผมเข้าร่วมกจิจกรรมทางศาสนาเป็นประจำตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มจำความได้จนสามารถท่องจำคำสวดต่างๆได้โดยไม่ต้องดูหนังสือจนกระทั่งอยู่มัธยมต้นก็เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองและมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาเองในใจเกี่ยวกับการนำสมาธิทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่รู้จักใครที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการนั่งสมาธิมาก่อน เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับสมาธิของทางอินเดียแต่พอศึกษาแล้วก็ไม่เข้าใจว่านั่งไปทำไมแต่ ใ, ใจยังมีความรู้สึกสนใจอยู่ลึกๆตลอดมาจนมาพบภรรยาชาวไทยแล้ได้มาสูงปฏิบัติที่โอซากา้าและได้เริ่มนั่งสมาธิได้มาพบหลวงพ่อได้มาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันไม่ฝันแล้ผมก็นั่งสมาธิได้ผลที่น่าพอใจเห็นองค์พระในตัวแม้บางครั้งจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีบ้างดีบ้าง แต่ก็มีคนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตนเชื่อและคิดอยู่ในใจมาโดยตลอดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวทําให้ผมพบกับคําตอบที่ค้างอยู่ในใจตนเองมาตลอดได้และรู้สึกว่าเป็นความโชคดีของตอนเองที่ได้มาพบหลวงพ่อได้มาเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดยมีภรรยาเป็นกรราญจนาภิษคอยประคับประคองให้มีเวลานั่งปฏิบัติธรรมและแปลฝันในฝันให้ฟังขณะฟังอินเทอร์เน็ต อยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อครับอยากทราบว่าทำไมผมจึงมีความรู้สึกอย่างนั้นและสนใจเกี่ยวกับเรื่องสมาธิตั้งๆที่พ่อแม่พยายามดึงให้เข้าไปนับถือในศาสนาลัทธิดั้งเดิมแต่ไม่เคยสนใจเลยถ้าผมเคยสร้างบุญร่วงกับหมู่คณะมาทำไมผมจึงต้องมาเกิดเป็นคนญี่ปุ่นครับก็เพราะว่าเคยเกิดสร้างบรมีกับหมู่คณะมาเคยทาสมาธิวิชาธรรมกายมาก่อน ยังเกิดความรู้สึกอย่างนั้นที่มาเกิดที่ญี่ปุ่นเพราะต้องนําธรรมะไปเผยแผ่ตรงนั้นแหละก็เป็นผู้ให้แสงสว่างเช่นเดียวกันกับที่หลูกพระราษฎร์กระจายกันไปทั่วโลกนั่นแหละทําไมการทํางานจึงไม่ค่อยประสบความสําเร็จทั้งๆที่เป็นคนขยันและทุ่มเทการกับงานมากกว่าหนึ่งซึ่งเป็นนิสัยปกติของคนญี่ปุ่นทั่วๆไปที่ผ่านมาทํางานยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จ ท, ทั้งๆที่ขยัน เพราะในอดีตในช่วงที่ผ่านมานั้นน่ะกำลังมหาธาตุบรมียังน้อยมากจึงทำให้มีอุปสรรคแม้ว่าจะขยันหรือเก่งเพียงใดก็ตามถ้าไม่มีมหาธาตุบรมีสนับสนุนแล้วอุปสรรคก็ย่อมมีความสำเร็จก็ยากแต่ว่าไม่เป็นไรปัจจุบันนี้ก็ให้สั่งสมผลบุญเอาไว้ บุญนี้ก็จะไปดึงดูดบุญเก่าเก่าจากหลายหลายชาติมาช่วยให้ชีวิตดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นให้สั่งสมบุญกันต่อไปตัวผมมีโรคเกี่ยวกับผิวหนังเป็นผื่นแดงละคันต้องไปหาหมอเป็นประจำแลวไปทางแก้ไขโรคนี้บ้างไหมครับเป็นผื่นแดงคันที่เป็นโรคผิวหนังผื่นแดงคันก็เพราะในอดีตเป็นคนที่ซน แล้วก็เชื่อมมันในตัวเองแล้วก็ชอบล้อเพื่อนเล่นเป็นวิจีกรรมที่ชอบทำให้เพื่อนๆหรือใครๆเนี่ยเกิดความขัดเคืองใจคือไปแยแยเขาล้อๆเขาเนี่ยพอเขาหงุดหงิดรู้สึกว่ามันตออะไรอย่างนั้นน่แล้วก็เคยแกล้งเพื่อนโดยเอาหญ้าคล้ายๆกับหมามุ้ยหญ้าขันๆใ น, ใ น, ใ, นในอดีตนะ ไอ้แกล้งโรยใส่เพื่อนในความขันนองเพราะนั้นก็เลยเป็นโรคนี้กับปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วแหะระบบขับถ่ายเนี่ยเพราะว่าอัานปัสสาวะจระเป็นเวลานานแก่ตรงนี้ซะแล้วก็สั่งสมบุญให้มันเยอะๆเดี๋ยวก็จะบรรเทาเบาบางหนักก็เป็นเบาๆก็จะหายไปเองนั่นแหละตอนเด็กๆผมป่วยเป็นประจำร่างกายไม่แข็งแรง แต่จําได้ว่าพอคุณตาของผมตายดียโรคบาดเลงในปอดผมก็แข็งแรงขึ้นคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าผู้ตายหอบเอาโรคนั้นไปด้วยอยากทราบว่าเรื่องนี้มีจริงหรือและเพอเหตุใดเมื่อคุณตาผมตายผมจึงหายป่วยตอนเด็กไม่แข็งแรงและต่อมาหายในจังหวะที่คุณตาตายด้ยวยบาดเลงปอดมันไม่เกี่ยวกันนะจ๊ะมันต่างคนตาก็มีกา ร, รเป็นของตน ใทตอนที่เราไม่แข็งแรงช่วงนั้นอิบา ก, กรรมที่ในอดีตไปเบียดเบียนสัตว์ในยามยาวไวนะ้ในอดีตตามมาทันนะต่อมาพอเลิกการกระทำข่าขกรรมนั้นก็มันก็เลยไม่ส่งผลกรรมดีส่งผลก็เลยแข็งแรงแล้วพอดีมาพร้อมกับการหมดอายุไข ข, ของคุณตาพอดีไม่เกี่ยวกันไม่จยากคุณฟัคุณตาตายเราหายมันไม่เป็นยางงั้นได้ลูกนะมันคนละเรื่องกัน ชาวญี่ปุ่นมีความคิดว่าพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตามหิ่งพระหิ่งบูชาหรือตามสุสาบนบรรพบุรุษเป็นความจริงหรือไม่ในบ้านของคนญี่ปุ่นจะมีหิ่งบูชาบรรพบุรุษจะมีป้ายชื่อกของบรรพบุรุษตั้งเอาไว้ที่วัดก็จะมีสุสาบนบรรพบุรุษตั้งอยู่ทุกปีช่วงสิงหาคมคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าญาติตายไปแล้วจะกลับมาแล้วก็จะมีการไหว้ด้วยผลไม้และอาหาร แล้วก็จะมีการนิมนต์พระญี่ปุ่นมาสวดที่บ้านหน้าหิ่งบูชาแม้ในปัจจุบันก็ยังมีวัฒนธรรมเหล่านี้เหลืออยู่การกระทําเหล่านี้จะไปถึงญาติที่ตายไปแล้วจริงหรือเปล่าการที่มีป้ายอยู่บนหิ่งบูชาหรือตามสุสานป้ายของบรรพบุรุษที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูและลึกนึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษ อันนั้นก็เป็นคุณธรรมส่วนหนึ่งของเราที่ระลึกนึกถึงแต่ที่ถามว่าเชื่อว่าญาติตายจะกลับมาญาติตาจะกลับมานัา่นะจริงหรือไม่จริงก็มีไม่จริงก็มีถ้าพูดตายเกิดในภูมิภูมิมเทวาอยู่บนพื้นมนุษย์อยู่ในบ้าน อยู่นอกบ้านอยู่นอกรค้บ้านอยู่ตามอะไรแต่แถวบ้านนั่นแหละถ้าบรรพบุรุษไปเกิดเป็นภูมิเทวาอย่างนี้ก็มาแล้วก็รับรู้ได้แต่ถ้าไปเป็นอย่างอื่นนี่ไม่ได้ตั้งแต่สัตว์ได้ใช้ก็ดีเปร ก, ก็ดีอสุรกายก็ดีในยม โ, โลกก็ดีในมหานรกก็ดีในฝ่ายของอบายนั่นแหละ รับไม่ได้โดยวิธีการมาเคาะโป๊กๆๆอย่างนั้นอาจารย์เลือมาไหว้อะไรต่างๆเหล่านั้นนะยากที่จะไปถึงแม้ในภูมิสุขติที่ไปอยู่บนสวนรรค์ก็ดีนะเอาแค่ว่าไปเป็นอากาศสเทวาในกระใหม่มาแล้วไปเป็นชาวสวรรค์ช่างจะตกหมาราชกาดาวดึงขึ้นไปเนะี่ยไม่ลงมาโดยวิธีการเคาะ อะไรอย่างนั้นโดยเฉพาะผู้เค้นนั้นนะ่ะเป็นผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยหรือตั้งใจที่จะเข้าถึงพระรัตนตรยัยอย่างนี้ยากนะลูกนะยากมากมากเลยเดียวนอกจากผู้ที่เค้ะนั้นเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็ข้างนอกมีศีหน้าเป็นอย่างน้อยไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เที่ยวบาเที่ยวขับ ไม่เล่นกลางพนนั่นอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมมาเข้าถึงวัตนตรัยในตัวอย่างนั่นแหละไม่ต้องเคาะโป๊กๆหรอกเดี๋ยวก็ไปถึงได้เราถวายอาหารกับท่านเหล่านั้นผู้มีศีลมีธรรมเราอุทิศบุญกุศลไปแล้วก็ถึงเรจะถึงในระดับหนึ่งถ้าไปอบายก็ไปคอยที่ยมโลกถ้าไปสุคติกลับได้เลย แต่ถ้าหากว่าได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยมีพระธรรมกายภายในได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วก็ถวายอาหารกระทันเหล่านั้นผู้เป็นทักคินในยะผุ้คลอย่างนั้นไปถึงได้เอาไปถึงเลยอาจารย์นี่ก็เป็นคำตอบสาหรับลูกที่อยู่ที่ญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อบรรพบุตรที่ตายแล้วจะมาเป็นผีคุ้มครองลูกหลานคุ้มครองตนเองเรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่ครับ มันก็ขึ้นอยู่กับไปเกิดในภูมิไหนอีกนั่นแหละแต่อยู่ในภูมิภูมิเทวานะ่ยอยู่ในบ้านก็ดีอยู่นอกบ้านแต่อยู่ในรั้วก็ดีอยู่นอกรั้วบ้านบนเวียนอยู่แถวนั้นน่ะก็คุ้มครองได้บ้างในระดับหนึ่งแต่ถ้าไปอยู่ในภูมิอื่นๆก็ยากแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปในตัวของและการกระทำของลูกหลานในปัจจุบันนี่มากกว่าถ้าหากว่ามีบุญเนี่ย ภูมเทวาที่เป็นญาติก็ช่วยได้แต่ถ้าบุญช่วงนั้นไม่ส่งผลบาปส่งผลละ่ะให้พันญาติหมื่นญาติที่เป็นภูมิเทวาแต่นั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วการกระทำในปัจจุบันเนี่ยสั่งสมแต่ บ, บุญตลอดเวลาอย่างนี้แล้วก็เป็นไปได้เราต้องเป็นหลักภูมะเทวาที่เป็นญาติที่อยู่ใกล้ๆนั่นนะท่านจะแค่เป็นเครื่องสนับสนุน แต่ตัวเราต้องเป็นหลักนะจ๊ะทีนี้ก็มาถึงภรรยาของผมทําไมป่วยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กําเนิดโอ้โหเรียกว่าในร่างกายของเขาเป็นแหล่งกําเนิดแห่งโรคหัวใจเดียวทั้งหัวใจรัว่วหัวใจตีบหัวใจโตเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจพิการหลายจุดอออืืหสารพัดเลยเคยพ่าตัดหัวใจมาแล้วเมื่อแปดปีที่แล้ว แล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนโรงพยาบาลหมอเช็คก็ต้องพาอีกโดยเลือกอาวันพระเป็นวันที่จะเข้ารับการผ่าตัดคือวันที่สุกที่ี่สิบสามพฤษภาคมสี่หหมอก็เป็นห่วงการผ่าตัดครั้งนี้อยู่เหมือนกันแต่หมอก็แนะนําว่าการผ่าตัดก็อย่างน้อยก็จะช่วยใหตุทรงตัวไม่แย่ไปกว่าเดิมหรืออาจจะดีขึ้นคือตอบอย่างกลางแต่ถ้าไม่ผ่าตัดอาการมีแต่จะซุดลงไปตอนนี้ภรรยาก็กําลังเป็นกังวลกับการผ่าตัดครั้งนี้ แากราบทำกรรมอะไรมาจะเหมือนโรคหัวใจก็กรรมแนดีก็ทรมานสัตว์นี่แหละเคยเกิดในสังคมเกษตรกรเหมือนเคสที่ผ่า น, านมาใช้แรงงานสัตว์ทำไร่ไถนากระทั่งไม่หยุดหย่อนเลยนี่ทั้งหนักทั้งเหนื่อยมากเหนื่อยหอบเวลาเทียมสัตว์ขับรถก็ใช้งานหนักแล้วก็ไม่พักไม่ดูแลอย่างดี สัตแทบจะขาดใจเลยแหละกรรมนี้ก็เลยส่งผลให้เป็นโรคหัวใจตั้งแต่กําเนิดแล้วก็อีกกรรมหนึ่งคือว่าจีกรรมในชาตินั้นนอะเคยเถียงพ่อเถียงแม่ทําให้พ่อขะแม่เนี่ยเจ็บช้าน้ําใจอันนี้เป็นวจีกรรมใครเถียงพ่อเถียงแม่มั้งลืมหมดแล้วกระไไม่มีไม่มีไงโอ้ยน่ารักไม่มีใครเถียงเลยโอ้ยน่ารักอะไรจะขนาดนี้ ไอ้ลูกใครเนี่ยลูกปราอู้ดีมากอย่า ก, กังวลนะลูกนะทีอจะต้องผ่าตัาตดนึกถึงบุญเอาไว้สั่งสมบุญให้มากนึกถึงพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมเรื่อยไปเลยเราไม่ต้องไปคิดว่ามันหาย ห, ายหรือไม่หายคิดอย่างเดียวว่าทำอย่างไรเราจะอยู่ในบุญจะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้นึกแค่นี้นะจ๊ะ ัแต่ก่อนผ่าตัดหรือกำลังผ่าตัดถ้าตัดสินใจผ่าตัดนึกอยู่ในบุญทําใจให้มันเข้มแข็งอย่าไปวิตกกังวลเกินไปทำให้เข้มแข็งเอาไว้นึกถึงบุญนึกถึงธรรมะนึกถึงบะรัตนตรยัยหลวงปู่มังคุณยายมังต้นให้ใจใสๆเอาไว้หนักก็เป็นเบาเบาก็หายถ้าตายก็ไปดีอย่ากลัวนะลูกนะ เ, เรื่องนี้ต้องเอาความจริงมาพูดกัน หนักก็เบาเบาก็หายแต่ถ้าตายก็ไปดีไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่ไม่ได้ครูนะแล้วพูดให้กลุ่มแต่พูดให้เข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวเรื่องนี้กลัวก็ตายไปกลัวก็ตายทุกคนนะแม้แต่ครูไม่ใหญ่กเหมือนกันนั่นแหละ เพราะนั้นักก็บ้าเ บ, า, บาก็หายแต่ตายก็ไปดีโอโหขอให้อยู่ในบุญนี่มันเต็มที่ให้มันเข้มแข็งสมกับเกิดมาสร้างบารมีนันลูกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลอะไรเลยลุยหยุดนหยุดไปเลยหาใจใสใสเดี๋ยวบุญนี้ก็จะได้ช่วยให้ได้แข็งแรงสดชื่นเบิกบานธรรมะสว่างสวัยได้สร้างบารมีกันไปนานๆบะบุญนี้ก็จะติดตามข้าพรพบข้ามชาติไปด้วย